ระยะที่ปรุงที่แต่งทั้งหมดเป็นเนื้อของสมมติในสมมติจะต้องมีการบํารุงไม่บำบึงไม่ได้มีการเจริญขึ้นและเสริมลงเป็นธรรมนาของสมมุติสมมติไม่มีอะไรที่จะพูดว่าความเจริญขึ้นหรืความเสื่อมลงแต่เมื่อไส่สมมติอยู่คือธาตุขันอยู่อันนั้นจะต้องออกมาทางธาตุขัน นพร้อมนรเอวก็ไม่สะดวกมีแต่คามูลสุดล้นลวนนำออกแสดงไม่ได้ทางคมูลที่เราฟังกั น, นทัศนชดเอาอยกอีกทงหนึ่งเป็นเมือนเมตตาธรรมมุทนาเป็นเรื่องธรรมชาตกั น, นี้อยากเห็นนักปฏิบัติได้มาเล่าความรู้ความเห็นทางด้านปฏิบัติ ไม่คอยจะระยิบระยับเหมือนกับศาสนาของพระพุทธเจ้านี่เป็นโมคะประกาศให้โลกจารว่าอยู่งเฉยไม่สแสดงผลจากผู้นับถือศาสนาเลยเป็นพู้เหรอพระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาบรรดาพุทธบริษาัททั้งหลายในครั้งนั้นกล้ากผยเห็นผลเป็นลำดับธรรมดา ตั้งแต่กัมยานุญญาปุชนจนถึงอาเดียบุคคนท่านโสดาตติทานังคาอาราธนะหานรุ่นแรกจะออกจากพระตถาทธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแต่ทําไมตกมาก็สมัยตุวันนี้จึงกลายเป็นโมฆะสาหรับพุทธบริษัททั้งหลายนินรันทัามยังกล่าวตูว่ามรรคึงมิพัน์หมดเกิดหมดสมัยและเราเป็นโมฆะยังไม่เข้าใจว่าตัวเองเป็นโมฆะในวงของมนุษย์ในวงของพุทธบริษัท มันเป็นโมคอยู่ในความสนใจเป็นโมคฆะอยู่กับข้อปฏิบัติวิธีดำเนินไม่ได้ตรงไปตามแนวทางของพระพุทธเจ้าได้จะให้ปากฏผลขึ้นมาได้อย่างไรนี่เป็นหลักสําคัญที่เราควรทำ ค, ความเพียรก็ไม่พอสติปัญญาก็ไม่พอวิธีการต่างๆที่จะส่งเสริมจิตใจให้เป็นไปเพืความเจริญให้เป็นไปเพือความสงบสุขให้เป็นไปเพืความแ ย, ยบคายทางสติปัญญาก็ไม่พร้อม เมื่อพร้มแล้สติปัญญาจะพร้อมไลยสติปัญญาไม่พร้อมพิเรศจะหลุดลอยไปไม่ได้หนึ่เป็นหลักใจที่เราควรทส่วนเรืองของพิเรศมันทําหน้าที่อยู่ตลอดเวลาคิดตรุงออกแต่ละด้านละทางแต่ละแง่ละมุมมีล้นโดยมากมีแต่เรื่องของพิเลศสั่งสมตัวทั้งนั้นจึงมีผลเรื่อยๆสำหรับทางพิเรศพิเรศมีผลมากเพียงไรเราก็อัดเฉาบอลปัญญาจิตใจก็มีความสาาาว่างขัดแย้งแท้ความสงบสุดไม่ได้ตร ง, งนั้นนี้ การรักาษาจิตสําหรับนักปฏิบัติด้วยแล้วเป็นหน้าที่โดยเฉพาะถือเป็นจิตจําเป็นเป็นจิตสําคัญงานของพระเฉพาะอย่างนี้งานของพระสมณฐานคืองานลื้อ ถ, ถอดลือถอนกิเลสตัณหาอาชวะซึ่งเป็นตัวพบตัวชาติเป็นรางแห่งความรู้ความลําบักรางแห่งความปวดแสบเจ็ตายให้ออกจากใจและไปโดยลำหนับนี่เป็นงานใหญ่โต นี่ากรรมาฐานกรร ม, า ฐ, ามาฐานแต่ว่าที่ตั้งแหงงานของพระพระกรรมาฐานฐานานแปลว่าที่ตั้งกรรมมาแปลว่าการกระทำท่านสอนให้ทํำลงที่ไหนแล้วให้สนใจลงในจุดนั้นให้ดีบวชมาเบื้องต้นท่านสอนเกสาโลมานณขาสันตาแตจูนีจ่จะกลายจนขนกธรรมเนียมประเพณีไปทั้งเข้าบัญชาญาทั้งผู้ที่บวชแล้วเวลานี้ ความจริงเจรสาลงมานะขาท่ า, า, านตาตะโจนนี้เป็นทางแห่งมรรคผลนิพพานเป็นทา ง, ทงหลุดพ้นสาหรับผู้ดําเนินตามไม่มีลัสมัยเป็นทางคงเส้นคงวามรรคผลนิพพานจะกล้ามาได้ต้องอาศัยสิ่ง น, นี้เป็นทางเลยเจรสาเราไมจเป็นาให้เห็นชัด ต, ตรมูี่เป็นยังไงยังจะ ung, ตกยงไปในอาหารฉะนั้นก็ขยะบข ย, ขยงไม่อยากรับทานกันแล้วสก็ตกหรือไม่หน้าเปียดหรือไม่ยังทำนี้เราก็พอทราบวา เทศาโลมาเหมือนเหมือนกันนักขาเล็บผมือนกันดูมีของสวยงามที่ตรงไหนเลยทันตาฟนันก็กระดูกดีๆเหมือนกับกระดูกทั่วๆไปในร่างกายของเราแต่ให้ชื่อว่าฟันความจริงก็คือกระดูกกระดูกมีความสวยงามที่ตรงไหนผมขนเล็บมีความสวยงามที่ตรงไหนพิจารณาให้ถูกตามฐานด้วยเจ้า ที่ทรงตอนไว้และทรงตำหนิว่าไม่สวยงามตาโตหนังคนเราดูกันหน้าเพราหนังเท่านั้นแล้วความหนาของหนังนี้ไม่เท่ากระดาษเลยบางนิดเดียวอันนี้เป็นเครื่องหลอกตาบริบตาฝากน่าปวดตาปากไม่เห็นความจริงถักเข้าไปนั้นชั้นเล็บหนึ่งก็เยอะออกม า, มาด้วยมุมโคเรียน้ำเน่าน้ำห น, ำนองไม่น่าดูเลย ถ้าเราพิจารณาหนังหุงห้มห่อสิ่งสกรปรกโต้กลบทั้งหลายไว้ถ้าเอาหนังออกแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นนั่นเราพิจารณาให้เห็นตามความจริงนี้แล้วเราจะไปหลงสัตว์หลงบุคคลหลงความสวยงามที่ไหนความฟุ้งเฟ้อเอิบที่เป็นเครื่องวุ่วุ่ น, นใจเราอยู่ตลอดเวลาก็เพราะความสำคัญผิดนี้แหละเมื่อเราได้พิจารณาตามหลักความจริงนี้อยู่โดยสม่มําเสมอแล้วความบวรบ่นวุ่นแบบนี้จะไม่เมืน สงอกตัวลงไปโดยลําดับําัๆแล้วยิ่งเข้าไปกวนั้นก็ยิ่งเห็นชัดตามหลักธรรมชาติของส่วนร่างกายทั้งภ า, ายในภายนอกเบื้องบนเบื้อ ง, องล่างกระฐานจากโดยไม่ต้องสงสัยในการพิจารณาอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อตัดความกังวลความต้องัารมั่นหมายของเราซึ่งฝังจิตใจมาน่งนานว่าสิ่งนั้นสวยสิ่งนี้งามว่านั่นเป็นตัดวนี่เป็นบุคคลนั่นเป็นหญิงนี่เป็นชาย น, น่ารักนน่ากำหนักนี่น่าดีดีทั้งทั่งริงแถวนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นเป็นขึ้นเพราะความต้องการนั่นหมเพราะฉะนั้นท่านถึงให้คลี่คลายออกดูให้เห็นชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไรดูให้เห็นให้เห็นถึงฐานของสิ่งเหล่านี้ผมเป็นยังไงผนเป็นยังไงเล็บเป็นยังไงฟันเป็นยังไงหนังเป็นยังไงแล้วฟ้าเข้าไปนั้นเป็นยังไงเปิดเพียงหนังเปิดออกเท่านั้นแหละมันก็ทั่วถึงท่านสอนไป be, นนเจนถ้ะจับทำไมบรรยากาศเข้ามาถังสอนไปถึงหนัง เพรหนังเปิดออกหมดแล้วมันก็หมดปัญหาหนะ้าดูที่ไหนคนต้องทนนี่จะแมแลงแมลง ว, วันตอมอื่นถ้าไม่มีหนังนะชัดไม่มีหนังก็ดูกันไม่ได้คนไม่มีหนังก็ดูกันไม่ได้ที่ดูกันได้แล้วติดกันงอแงจนไม่ไม่สนใจหาทางขอมีท่อนหนังอันเดียวเท่า น, น, นั้นเอี่ยที่ติดกันเพราะขนนิพานเพราะขนนิพานไม่มีกเพราะสิ่งเหล่า น, นี้มันติดกันความซุมเฟอร์ของจิตมันติดกัน้น ปิดกัน้นนะขุนนี่ผ่านไปหมดทางไปตามหลักธรรมชาติที่ได้พ้นทุกมันไม่มีพอที่จะเดินที่จะก้าวไปได้เพราะสิ่งเหลนี้ปิดตันไปหมดที่ท่านสอนกรรมฐ า, านห้าท่านสอนเปิดทางให้เห็นตามหลักความจริงจิตใจเขาเห็นตามหลักธรรมชาตินี้เพียงห้าอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นก็สงบไม่กวนตัวเองไม่มีอันใดที่จะกวนมากยิ่งกว่าการฆาตันอันนี้กวนมากกวนจิตใจของสัตว์โลก ที่กําลังเดือดร้อนเพิ่มมายกจนมีเวลานี้ก็เพราะอะไรเพราะอันนี้เลยให้พิจารณาให้ดี <c oughs> ยิ่งส่งเสริมเท่าไรก็ยิ่งลุกโถมพงตึกฟานความเดือดร้อนความเพิ่มเติมคองเซ็ป์หรื อ, อ, ก, อก็ความเดือดร้อนมันตามมนต่อโเฉพาะอันนี้แหละมันติด ก, กันไม่ได้ดูนั่นเราเป็นกรรมฐานเราจะดูที่ไหนถ้ามาดูในงานที่พระพุทธญาติทรงส่อมานีรนี่เป็นงานชิ้เอง เป็นงานอื้อพหรือฆ่าเป็นงานใดญู่ตงานเพื่อถอดข อ, อนของทุกทั้งมวลไม่ใช่งานเล็กน้อยมพากันดูเรื่อความสนใจยังจะเป็นประเพณีไปแล้วเวลาบวชทั้ ง, งก็เสชาลงมานะะักขาท่านชาตะโจแล้วก็ทิ้งไปเลยทั้งเวาลาทั้งผู้บวชไม่สนใจถ้าดูตามหลักธรรมชาติตร์ท่านประทานว่าจริงๆแล้ว แะเหความสําคัญของธรรมอย่านี้มิใช่น้สติเป็นสิ่งสําคัญปัญญาตามมาเป็นระดับที่สองก่อนปัญญาจะต้องแฝบสติต้องตั้งไว้ก่อนสติตั้งแล้ในจิตใจจะเข้าใจในจิตนั้นถ้าสติเทอรไปก็สิ่งนั้นไม่ถัดขันดุจสอนสติเป็นสิ่งสําคัญมาก จะทํำหน้าที่การงานภายนอกภายในสติต้องอยู่กับตัวคนมีสติ อ, อยู่กับตัวพูดอะไรฟังอะไรรู้เรื่อยถ้าจะติห่างจากตัวไปเท่านั้นก็เผลอเลยไปแล้วไม่ค่อยได้เรื่องเลยมากไปกว่านั้นก็เป็นบอยลเป็นบ้างไปเลยสติอยูนน่รื่องสําคัญธรรมะทั้งหมดสอนลงในสติ ศาสนาไม่ใช่เป็นของเล็กน้อยมันใช่เป็นของเล่นศา ส, สนาพระพุทธเจ้าหรือพุทธศาสนานี้ถ้าเราดูต้นเหตุนะก็เหมือนของเล่นเหมือนลัทธิแต่ถ้าดูตามหลักธรรมชาติของหลักศาสนาจริงๆแล้วหาที่แย้งไม่ได้เลยไม่มีสิ่งใดในโลกนี้เราขอพูดอย่างนี้ด้วยความถนัดใจคว่าจะละเอียดยิ่งกว่าพุทธศาสนา น, านไป ถ้าได้ปฏิบัติดำเนินตามหลักศาสนาแล้วไม่ว่าคารวะาได้โยไม่ว่าพระจะหาทางตำหนิกันไม่ได้โลกนี้ไม่ต้องมีเรือนจำไม่มีตราดเพราะเหตุไรเพราะหลักคำนี้สอนไปด้วยความสม่ำเสมอสอนเป็นมัตสินมาให้ดูท่านดูเรามีน้ำหนักเสมอเห็นใจเราเห็นใจท่านเห็นความผิดของตัวเห็นความผิดของคนอื่นแล้วไม่กล้าทำลงไปแล้วความสะทกระเทือนกันจะเกิดขึ้นที่ไหน ไม่มีทางเกิดมี่เพราะความเห็นแก่ตัวนั่นเองความเห็นแก่ตัวไม่ใช่หลักศาสนาธรรมเไสอนความเห็นแก่เพื่อนร่วมชาติร่วมพบเพื่อนเกิดแก่เก็บตายมีความสุขเท่ากันมีความทุกข์เท่ากันมีคุณสมบัติประจำตัวเท่ากันมีชีวิต จ, จิตใจเท่ากันมีความรักความสงวนตัวเท่ากันรู้จักความผิดถูกชั่วดีเหมือนกัน และต่างคนต่างรักษาสิปไตยขึ้กันแล้กันแม้จะตัดเรือฉานก็ทํากันไม่ลงไม่ว่าจะไปทํามนุษย์ด้วยกันพระเดือฉันก็มีจิตทีมีความรักความสงวนในชีวิตของเขาเท่ากันกับเรารักลีวิตของเราะแล้วจะไปทํากันลงที่ไหนนี่เลากรารถนาเป็นอย่างนี้แล้วสอนเขมาถึงหลักธรรมยิ่นายท่านสอนว่ายอย่างไรดําเนินตามหลักที่ท่านสอนไว้แล้วจะมีที่ทาหนี้ที่ไหน ที่เขาตําหนิว่าพระไม่ดีไม่น่าเลื่อมใสเป็นความถูกต้องของเขาเพราะเห็ตุใดเพราะเราปฏิบัติไม่ตรงตามหลักธรรมนิยมตรงไหนที่เขาที่เป็นจุดที่เขาตําหนินั้นตรงนั้นเองที่พระปฏิบัติตัวไม่ถูกเราจะไปว่าเขาว่าไม่ดีไม่ได้ถ้าเราพิจารณาตามหลักธรรมชาติตามหลักความจริงแล้วคนเราอยู่ดีๆจะมาตําหนิกันก็เป็นความผิดของคนตนําหนิแต่โดยมากนี่ชาวพูดตําหนิครับไม่ใช่คนอื่นตาหนิ ถึงนั่นนำมาพิเกิดถ้าเป็นคนนอกศาสนาไปอย่างแบบที่ปีนขึ้นไปนั่งอยู่บนก็เขียนของพระพุทธรูปนั้นเป็นอีกอย่างไหนึ่นรู้ภาษีภาษาอะไรทำอย่างนั้นเขาบอกตัวโคตัวเก๋ตัวเ ก, ตวเก็ตัวดีโอวิเศียนั่นเป็นความเห็นผิดของเขานะอันหนึ่ส่วนชาพูดด้วยการตําหนิกันนี่เนี่เข้าใจว่ามีเหตุผลที่ควรจะตําหนิควรจะชม ร ส, ส่วนเขาเองจะผิดประการใดนั้นให้เป็นเรื่องของเขาเพราะเหตุใดเพราะพระก็มีหูมีตาสามารถจะดูพุทธเบริษัษษษาาทส่ายคารวะได้เช่นเดียวกันใครผิดใครถูกใครน่าดูน่าชมใครไม่น่าดูน่าชมไม่มีใครจะดูได้ละเอียดยิ่งกว่าพระดูดมูมาเทียงแต่โยมจะมาดูพระว่าองค์นั้น น, า น, น่ารวมใส้องค์นี้ไม่น่าลวมใสเลยพระดูคารวะยิ่งละเอียดยิ่งกว่านั้นแต่ให้เป็นหน้าที่อของ ้องเขาของเขราไปเองทำไมเราดูเขาจะดูไม่ได้เขาผิดที่ตรงไหนไม่น่าดีหน่าเบียดที่ตรงไหนเราทำไมจะดูไม่ได้เราทาไมจะไม่เข้าใจเราเป็นพระองค์หนึ่งเราเป็นผู้ปฏิบัติองค์หนึ่งด้วยแล้วทำไมจะดูคนไม่ออกเขาดูเราเขาก็ดูออกเช่นเดียวกับเราดูเขาเมื่อนั้นท่านเรามาดูเราแบบที่เราดูเขานั้นเราจะได้ความละเอียดมากยิ่งกว่าเขาดูเรา เป็นไรนพราะศาสนาสอนให้เราดูเราเพื่อสอนให้ดูตัวเองให้ดูที่อื่นมากไปกว่าตัวเองมีเยอะขึ้นเข้ามาตรงนี้เป็นจุดสําคัญคือพระดูโยมก็ไม่สําคัญนะโยมดูพระก็ไม่สําคัญนะเราดูเราจะเป็นโยมดูโยมก็ตามเขาดูเขาเราดูเรานี่เป็นจุดสําคัญมากให้เห็นชัดเจนตรงนี้เรื่งการดูพิเรศตัวเองด้วยแล้วต้องดูทุกเวลาพิเรศจะเกิดขึ้นจากการสัมผัส การได้เห็นการได้ยินตามหูจมูกลิ้นกายจิตกับคู่เสียงกลิ่นรสเททั้งปันและทำมารมณ์ที่นำสิ่ง น, นั้นมาติดสิ่ที่เคยได้เห็นได้ยินนั้นนำมาติดเกิดเป็นเกียรขึ้นมาแต่ละประเภทประเภทเป็นชั้นๆถ้ามีสติแล้วจะทราบกันทันทีทันทีกระทบทางตา ม, มีความรู้สึกเกิดขึ้นมาอย่างไรบ้างกระทบทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายจิตมีความรู้สึกอะไรขึ้นมาไป็นเกียรขึ้นมาหรือเป็นธรรมะขึ้นมา ถ้าเป็นกิเลสก็เป็นเครื่องผูกมัดตัวเองก่อเรื่องขึ้นมาเดี่ยวต่อเรื่องปลูกมัดตัวเองขึ้นมาถ้าเป็นฝ่ายธรรมะก็ได้สติได้อุบายได้ปัญญาจากสิ่งที่มาสัมผัสถอดถอนกิเลสไปเป็นน้ำห น, นักอารมณ์เกิดขึ้นมากน้อยภายในใจสติปัญญาตามทันแก้ไขได้ทันท่องถีทันท่วงถีไปเป็นอืนนนชื่อว่าเป็นผลในการดูต้ดูอย่างไี เราไปทานยงกลมท่านจะไปภาวนาเวลาเข้าที่เราสมาธิขัดสมาธิแต่งตัวเต็มยศแล้วท่งนจะเรียกความงามบางทีทั้งๆที่แต่งตัวเต็มยศอยู่นนั้นแหะจิตมันออกนอกโลกสองสามตําแหน่งไมมันเต็มยศอยู่แต่ร่างกายจิตใจไม่ได้ทําหน้าที่แห่งความเต็มยศนั้นเองอันนี้ก็ใช้ไหมล่ะเดินยังกลมก็เดินก้าเพก้าไปฐานเดินไปก้าไปใครก็ก้าได้ทุนักมันยิ่งมีสี่ขามันยิ่งเร็วยิ่งกว่าพังใ่รื ก็ไม่เห็นว่ามันมีความเปลี่ยนเพราะความดึงดูดข้อมันข้อมอะไรเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรก็ไปตามภาสาของเขาแต่เรารู้เรื่องรู้ราวอยู่แล้วโดยจงครมแต่ว่าจิตส่งออกนอกรูนอกทางนอกโลกของอุษสารจะเป็นความเปียนเพื่อแก้ที่เดียดได้อย่างไรความเพื่อแก้ที่เดียดก็คือความมีสติกําหนดดูเหตุดูผลความผิดความถูกความกระเพื่อมของใจว่าคิดไปทางใจบ้างถูกหรือผิดความกาจัดควยมระมัดระวังอยู่นั่นนี่ชื่อว่าเป็นความเปียนเพื่อตอดถอนที่เด็ด จะรือพพรู้อชาติชิวะ ง, งานของภาคจริงๆสมกับแบบกรรมฐานห้าที่ท่านมอบให้เราทํางานเราต้องคิดอย่างนี้จิดไม่ใช่ว่าจะง่ตลอดไปสติปัญญาไม่ใช่จะอับเฉาอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไปถ้าอาศัยการบํารุงอยู่เสมอสติก็จะแข็งกล้าปัญญาจะสามารถกิเลสจะค่อยหยุดลอยไปเป็นลําดั บ, บนึ่งแต่านาแน่นขนาดไหนก็เถอะถ้าลง สติปัญญาศรัทธาความเพียงได้หนุนเข้าไปเป็นลําดั บ, บแล้วต้องหาดพัฒบบนาไปเป็นลําดับไม่มีอะไรเลยเพื่อไปสร้างบริสุทธิ์พุโทโภคขึ้นภานในใจเพราะอํานาจแห่งความเพียงมีสติปัญญาเป็นเครื่องแฝงโดยไม่ต้องสงสัยนี่คือหลักของการปฏิบัติให้ทำความเข้าใจอยู่กับตัวเองหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีทางกําเนิดเรียกว่าสวัสดิ์หาธรรมจับไว้ชอบทุกอย่างแล้วศีลก็จัดไม่ชอบสมาธิก็จัดไปชอบปัญญาก็จัดไปชอบมรรคผลมีกาน ทุกขั้นทุกภูมิกลับไม่ชอบแล้วความไม่ชอบเวลานี้ความบกคล้องเวลานี้อยู่กับพวกเราอยู่มาสนใจคําบกคล้องของผลให้สมบูรณ์ขึ้นไปลำดับเรื่องมาผลนิพพานไม่ต้องไปถามที่ไหนขอให้ข้อปฏิบัติกับหลักธรรมกับมรรธเ้านั้นกลมกลนกันเถอะมาผลนิพพานจะเกิดขึ้นในฐานที่กิเลสลัดลืมอยู่ภายในจิตใจนี้โดยไม่ต้องสงสัยนี่เลย ถ, ถอนตัวออกไปพรมะหน้าของสติปัญญาความบริสุดก็เป็นขึ้นที่นั่นจะเป็นขึ้นที่ไหน เราไม่ต้องไปหาที่โน่นที่นี่เรื่องมรรคผลนิพพานเพราะที่เลรศไม่อยู่ที่ไหนนอกจากหัวใจของคนที่คิดไม่ถูกตา่างสมพิเรศขึ้นมาทำามเมื่อคิดถูกแล้วที่เลรศก็ค่หมดไปารรมะพิเรศคือเครื่องเศร้าหมอ ง, องเคื่องควนใจทําใจให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่เสมอคือที่เลรศของตัวเรื่องของตัวมันไม่เรื่องของอะไรทําอะไรให้ทําจริงอย่าทําเล่นอย่าฝืดหักทางไม่ดีอย่าโ ก, กหกตัวเอง การเวลาเวลาหน้าที่การงานจะทําอะไรให้มีความจงใจให้มีสติอยู่กับงานนั้นๆครับให้มีนิสจะให้เป็นนิสัยโกหกตัวเองจริงนอกจริงในสติใช้นอกใช่ในปัญญาใช่ข้างนอกใช่ข้าไหนฝึกหัดกันไปโดยลําดั บ, บสติจะแก่กล้าขึ้นมาปัญญาก็จะมีความสว่างสวยรอบตัวเพราะการฝึกการอบรบ การอบรมเนี่ยเป็นสิ่งที่จะ ท, ทํําทาคุณธรรมทั้งหลายให้เจริญแม้สมาธิไม่เคยปรากฏก็จะปรากฏปัญญาไม่เคยมีข้อมีถ้าปฏิบัติตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ไม่มีอันใดที่จะเป็นที่สงสัยในหลักของพุทธศาสนาที่สอนไว้เรื่งมีปัญห า, าเ่เฉพาะเราูปฏิบัติตามคนนั้นมีเท่านี้อจจะประหารผลไม่ผลยุทานไม่มีถ้าผลยุพานอยู่ที่ไหนถึงจะไม่มี กิเลสทำไมมันเป็นกลายเป็นกองเป็นหัวใจมันมาจากาใครสร้างมันขึ้นมาถึงจากมันถึงมีมากมายถ้าไม่ใช่เราสร้างขึ้นมาแล้วมาผลยุทพานใครจะสร้างขึ้นมาถ้าเราไม่เป็นผู้สร้างไปเองนี่อยู่กระเราเท่าไหร่ในตู้ในหีบในกัมพีเวลามีแต่ชื่อของกิเลสสัรหาของมาผลยุพธภานไม่มีตัวมาผลยุทธานไม่มีกิเลสสรรหาอยู่ในตูวในหีบในกัมพีเวลาในตหรับตำรับเลยแม้อันเดียวไม่มี อันตรายประมาณ 8, 000, 000, 000มาแปดหมื่นสี่พันก็รมขันในสูตรนั้นในคำพู์ น, นี้นี้จะบอกเรื่องชื่อตัา้งนานของเดตุที่มีอยู่ในหัวใจคนไม่ได้นอกไปจากนี้คูอต้องการโลกุณิทานไม่สนใจดูหัวใจตัวเองจ ะ, จ, ะจะดูอะไรทางที่จะให้เห็นโลกุณิทานอยู่ที่ไหนถ้ามันจะเริ่มความแก่ให้ถูกต้องทำอย่างไร เวลาจะสงบก็ทําเพื่อความสงบตั้งหน้าเป็นไปเพื่อความสงบถึงจะ ก, กําหนดทำบุญใดก็ให้มีความจริงจังกับคําบุญนั้นตั้งหน้าจะทำความหงบเต็มใจใจ จ, จะปรุงไปไหนมีใจดวงเดียวเท่านี้เป็นผู้ก่อเรื่องอตลอดเวลาโลกของสานไี่กว้างแคบไม่มีปัญหาไม่ใช่ไปทุ่มมากออเรื่องอนิ้วจังเรานี่กับเพื่อนตัวอยู่เสมอที่จะออกแสดงตัวเรื่องผิดเรื่องถูกเรื่องอะไรอะไรโดนมากเป็นเรื่องปรุงตัวใจสังเกตความปรุงของตัวเอง มันจะปรุงไปได้ถึงไหนสติปัญญามีอยู่ปรุงเพื่อพับดับพร้อมดับพร้อมถ้ามีสติถ้ามีสติก็ปรุงต่อกันด้วยมันมีจบสิ้นลงได้เมื่อสติตามทันอยู่มันจะวุ่นไปไหนจิตมันต้องเหมอะเอาเวลาจะใช้ปัญญาเอาใท้ลงไปพี่จะนานไปธาตุขันธ์อิสนะมีเท่าไหร่ม้วนลงมาที่นี่หมดกําหนดให้เป็นสัจธรรมหรือเป็นไจรัก มันเห็นความจริงกับใจรักจริงๆแ ล, แล้วจะแยกงขบถตจเจ้าที่ไหนอันนี้จังอะไรเป็นของไม่เที่ยงมันมีอยู่ทุกส่วนในร่างกายและจิตใจอาการทุกขผิดทุกส่วนที่แสดงออกมาล้วนแหนแต่เป็นเรื่องกฎของวัตถะความหมุนเยียนความเปลี่ยนแปลง ก, กฎนี้จังทุกขวงมวัตถะกฎของตัดแต่งไม่นอกนี้ไปจากนี้เลยทุกขังมันเป็นตึงไมันไม่อยู่ที่ไหนทุกข์ หลังนี้เป็นเป็นอุปการิยชนนี่แมรัตตาอะไรเป็นสัตว์เป็นมือเป็มว่าอยนี่สัตว์มาว่าส่วนผสมของข้าต่างๆมารงกันแล้วมีวิญญาณคือจิจสินั้นแล้วรับสัตว์เป็นสัเป็นมือเป็นเป็นชายท่านเป็นาว่ากันไป ว่าแล้วยังมาแล้วนะติดอีกด้วยมันติดก่อนว่าก็เลยตั้งใจติดไม่ชนิดที่ไม่ยอมถอยด้วยะติดเท่าไหร่ยิ่งติดยิ่งพันเข้าไปไม่ยอมถอยหลังตรงนี้นักต่อสู้มันเป็นนักต่อสู้เพื่อเพื่อตายจริงๆไม่ใช่นักต่อสู้เพื่อถอยเอาท่าเพื่อปลีกตีกึ่งตัวให้พ้นมันสู้แบบตายเอาตายเลยเนี่ยงอชนสามไม่มีสติปัญญาเึงขั้นแช่ตายจริงๆแต่ช น, านาจะจนมัน หาทางไปมานั่นมันก็ลงเองจิตเมื่อคิดไปไหนคนไปไหนก็มีแต่สติปัญญาตามมันมันคิดไปไหนสติปัญญาตามมันจะไปไหนรอดเดี๋ยวมันก็ลงไม่ว่าทางสมาธิไม่ว่าทางปัญญาเป็นทางจะให้เกิดความสงบเย็นใจได้ดูครับถ้าเราใช้ถูกเวล า, วลาใช้ถูกกับหน้าที่การงานตัวเป็นผลด้วยกัน คอยฟังแต่ข่าวขอโทษทีเจ้าสาวโ ล, าล่านบรรลุอรหัตมะผลุพานท่านปฏิบัติยังไงท่านถึงสาเร็จมะผลุพานไม่ได้มาคำหนึ่ทงทำความเพียรนิดหน่อยกลจะจะัวจะตายอะไรกลัวจะตายกลัวจะลําบากนี่แต่ความกลัวเพื่อจะบรรผลุพานไม่กลัวเพื่อจะไปขึ้นมากกว่าผลุพานไม่กล้าที่ทา อะไรจะรื้นเริงมันเพิ่มยิ่งกว่าธรรมคับจิตสัมผัสกันธรามกับจิตถ้าลงได้สัมผัสกันแล้วมันมีอะไรที่จะรื้นเริงไม่มีอะไรที่จะละเอียดอ่อนไม่มีอะไรที่จะเป็นสุดไม่มีอะไรจะอัศจริงยิ่งกว่าจิตกับธรรมสัมผัสกันถ้าลงเข้าถึงขั้นเพินแต่ขั้นสงบแล้วก็เพลินแล้วไม่ต้องพูดไปถึงขั้นปัญญาที่ละเอียดยิ่งกว่านี้เลยแค่จิตสงบก็สมายแล้วปรศาศจากสิ่งก่อปวนทั้งหลาย มันเคยว่ามุน่นขุมัวมามันก็ต้องอบเย็นลงไปจิตก็ผ่องใสเย็นทีนี้เราก็มีที่อยู่พอให้สบายใจเลยเนี่ยยิงค้นลงไปทางด้านปัญญาให้เห็นดูดูธาตุดูขันดูอวัยวะของเราทุกส่วนให้เห็นตามหลักความจริงอา้าวถ้าเราปฏิพูนก่็ดูให้มันเห็นปฏิพูนจริงๆทั้งทางนอกข้างในทั้งเขาทั้งเราดูว่ามันลงได้ระดับเดียวกันแล้วมันจะพุ่งเพิ่ไปไหน คนเล่าคนเล่าวูแลดูเล่าอยาเป็นมันพอตัวแล้วมันถอนมันเองถอนตเป็นขั้นๆสมบูญเต็มที่ถอนหมดอาการนั่งขันตั้งห่านไม่มีเลืรู้กว่าถอนเท น, นาก็ถอ น, รรอนสนอนัญญาก็ถอนชั้นขานก็ถอนยินยานก็ถอนอะไรที่ตั้งในจิตก็ถอน ถอนก็ตั้งถึงจิดไม่มีอะไรเหลือคำว่าเราว่าเขาไม่มีไม่มีสิ่งใดที่จะสำคัญว่านี่คือเรานี่คือของเราถอนไปโดยสิ้นเชิงนี่เรียกว่ า, าเสมอถอนข้างนอกไม่ถอนข้างในก็ลำเอียงยังติดอยู่ถอนข้างนอกได้แล้วถอนข้างในรู้ข้างนอกแล้ ว, ลวรู้ข้างในหมู่รู้รอบขอบคิดหมดแล้วถอนหมดโดยการทั้งปุ๋ไม่ต้องถามลงมาผมลิภานถามหาอถามให้เคยใกล้จุดไห ใครเป็นผู้หลงใครเป็นผู้รู้เวลานี้นี่เรียกปกคุมหุ้มห่อะอะไรเวลานี้ได้ถอดถอนจากอะไรมาเลยแล้วต่อไปนี้จะทําอะไรต่อไปอีกแล้วจะไปไหนเพื่ออะไรทั้งหมดเพื่อจะทุก อ, อย่างเมื่อพอแล้วมันหมดจะถามห่าอะไรถามวามันเป็นยุทธภัณถามก็หลงที่นะหมดรู้แล้วเป็นอย่างนั้นมีทางจะถามถามไม้อะไรอยู่ไหนก็เป็นมรรคยุทธภัณฑ์อยู่ไหนก็บริสุทธิ์อยู่ไหนก็รู้ถึง ความรู้อันสมบูรณ์แล้วอยู่ไหนก็รู้ ท, ทําท่ามันจะหลงก็ยิ่งรู้นี่จะหาอะไรในโลก น, นี้ยิ่งกว่าธรรมชาติที่รู้รที่บริสุทธิ์นี้ไม่มีโลกอันนี้มีจิดตดวงเดียวท่านี้ยาที่สุดก็คือจิดตดวงนี้เจอที่สุดก็คือจิดตดวงนี้ยาที่สุดคืออะไรก็คือจิตที่เกาะบนต้นมาตัวเองก่อเรื่องก่าาอราจิตทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนไม่มีอะไรจะยิ่งกว่าจิต ก็ควรเัาดูพอเวลาแจ้ได้แล้วไม่มีอะไรจะยิ่งกว่าจิตที่ทเขาิดในตัวเองเนื่องมาจากการทำงาเกร็บชิดนึงไปแล้วเาเป็นทำทั้งแข่งหรือทำทั้งดวงไปแล้วแตว่าแล้รก็ไม่สนใจมัลู้ไปแล้วก็เป็นชื่ออันหนึ่งเสียว่าตรัสรู้ก็เป็นชื่ออันหนึ่งเสียนะ ว่าบริสุทธ์ก็เป็นชื่ออันหนึ่งเสียว่านีพพานก็เป็นชื่ออันหนึ่งเสียว่าหันละขันน์ก็เป็นชื่ออัหนึ่งเสียธรรมชาตินั้นไม่ได้ว่าอะไรกับใครนะถ้าพอแล้วไม่ต้องหาอะไรมาเป็นชื่อเป็นนามก็ได้แต่ทําไมท่านตั้งชื่อตางนามไว้ถ้าโลกนี้สมมุติก็ต้องตั้งไว้อย่างนั้นอันนั้นชื่อนั้นอันนี้ชื่อนี้ตั้งอะไรทร้างก็ไม่หลงเมื่อได้รู้แล้วไม่หลงไม่ตั้งก็ไม่หลงสร้างก็ไม่หลงตั้งก็ตั้งเพื่อสมมุติเพอโลกเท่านัไม่ได้ตั้างเพื่อท่านถ้ารู้แล้วเป็น ธรรมชาตินี้อยู่ที่ไหนอยู่กับความรู้ของคนทุกคนของเราทุกท่านถ้าทันรูให้ถึงก็รู้เหมือนกันนีหมดไม่ว่าข้างกุทธการไม่ว่าข้างนี้เพราะจะจะทำก็เป็นอันเดียวกันเหมือนกันอริยสต์เหมือนกั น, น, กนไตรลักษณ์เหมือนกันปัิมาปฏิปทาเหมือนกันศาสนาอันเดียวกันอยู่ในใจในการเราอนันเดียวกันเมื่อปฏิบัติตามอย่างที่พระย่อสอนแล้วความรู้จะเป็นอื่นไปที่ไหนนอกจากจะเป็นอันเดียวกันเท่านั้นมีเท่านี้ าการมันเขมแข็งจะหัด อ, าอา่อนแอพ ร, ระพุทธเจ้ามันมีใครจะเกินเกินพระองค์ไปได้ความอดทนก็อยู่กับพระพุทธเจ้าเรื่องความภาคเพียนก็อยู่กับพระพุทธเจ้าทําทความเพียนจะหลบสลายไปกี่ครั้งเราก็เห็นได้ในตําหตรงนี้ของเรามีไหมมีสลบสลายบ้างไหมไม่มีเราจะว่าเราเต็มอกครูยังไง ความรู้ควมฉลาดต้อง ม, มีใครเกินก็ะองไปได้แล้วใครที่จะสามาร ถ, ถเป็นพระพุทธเจ้าได้เหมือนอกับสอนโลกทั้งสามได้ไม่มีเขามีพระพุทธเจ้น า, านี่คือพุทธังสนังกฉามธรรมังสันังกฉามนี้ก็เกิดขึ้นมาจากพระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นทั้งทางสันนังกฉามนี้ก็เป็นผู้ได้รับการอบรมจากพระพุทธเจ้าเกิดความเชื่อความแสวปฏิบัติตามก็เพราพระพุทธเจ้าทัง ทำศีลสิบปากฏในโลกก็พระพุทธเจนะ้าแล้วมีพระผู้ใดบ้างมีพระพุทธเจ้าองคงเดียวเท่า น, นั้น อ, อยากฟังอยเพื่อนเรื่งองสมาธิกรรมบัตร เป็นมาสี่ปีสี่เดือนทำไมไม่เห็นเกิดผลเกิดประโยชน์เกิดความสงบเป็นใจเกิดความเฉียวฉลาดถอนความเจตเดชก็น่าเบื่อหน่ายมันเล่าให้ฟังเราจะ้ากลุใจสมเข้ามาที่สอนที่สอนเพื่อรู้เพื่อจริงจรไม่ได้สอนแบบสิบสี่สิบห้ามีเือดูกรบผมมาเป็นมิลานานเท่าไหร่บางองค์ิบ้าหกปีก็นี่ได้ถอนถอนเอาหมดในจิตใจเนี่ยถอนออกมาจากหัวใจจริงมาสอน ไม่ได้ไปรูปนั้นคำนี้เอ็นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เลยถ้าผิดนี่ก็ยอมผิดมานานแล้วแต่ไม่ได้คิดในใจเลยว่าได้สอนหมู่เพื่อนผิดไปเพราะคานี้อยู่อันนี้เราเป็นที่แน่ใจของเราแล้วตัวเองขอเราเลยอะไรที่นาก็ตามในโลกนี้จะมาเปลี่ยนแปลงความรู้สึก ข, ของเราอย่างนี้จะเปลี่ยนไปไม่ได้แต่ยกสมบัติมาทั้งสามรสชาตินี้มาขอเปลี่ยนธรรมชาติของเราความรู้สึกเรานี้ให้เป็นอย่างอื่นไปเราจะยอมไม่ได้เป็นหลัก ไม่มีอะไรที่ที่เราจะเป็นที่มั่นใจยิ่งกว่าธรรมชาติที่เราเลือก อ, อย่เดยและที่นำมาสอนด้วยตลอดเวลาและที่ผ่านมาแล้วก็ทั้งจะ่อไปข้างหน้าด้วยถึงสอนเต็มภูมิความรู้สริงปฏิบัติมายัางไง ร, รู้ยังไงเห็นยังไงสอนหมดว่าส่วนใหญ่ส่วนยอดที่เกิดจากภาพปฏิบตัติแล้วทาไมจา ไม่กล่าวกับหลายคนมีแต่คนเดียวพูดเบ่งเบ่งเบ่งเหมือนกับว่ามาโกหกนอืนทีเราก็ไม่ได้โกหกเกิดขนมากการบัญญัตเรจะจำไม่ได้นี่ต่อการบัญญัติที่ปา